นะอารามานทุกกไนหนึ่งร้อยเจในเหตุตุปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีห้าวาระณอนันตรปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีห้าวาระนสมานันตรปัจจัยกับณอารามานปัจจัยมีหวาระ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 นวิปยุตตาปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีสวาระโนนติปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมี5วาระโนวิกตปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยมีหวาระติกรนัย1 1บสี่นัอรมณปัจจัยกับนปุเรชาตปัจจัยและนัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 นาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากับปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอาหารปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยกับนาอาเสวนปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ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 นปัจฉาชาตาปัจ <the> ัยกับนวิปากับปัจัย <the> มี9วาระนอาเสวนปัจัยกับนวิปากับปัจัยมี9วาระนกรรมมปัจัยกับนวิปากปัจัยมี3วาระนอาหารปัจัยกับนวิปากับปัจัยมีหนึ่งวาระนอินตรียปัจัยกับนวิปากับปัจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจัยกับนวิปากับปัจัยมีหนึ่งวาระ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 นวิปากับปัจใจกับโนนัตถิปัจใจและโนวิกตะปัจัยมีห้าวาระนอาหารปัจใจกับโนนัตถิปัจใจและโนวิกตะปัจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจใจกับโนนัตถิปัจใจและโนวิกตะปัจัยมีหนึ่งวาระนชานะปัจใจกับโนนัตถิปัจใจและโนวิกตะปัจัยมีหนึ่งวาระ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 l e go.